เะย่อมเตือนกันไงวัดปฏิบัติอบรมบทนิจใจมีผู้นี่ผู้นำมาเก่าตักเตือนเรียกว่าประเทศอันสมควปรปฏิโลประเทศชาวาโสเป็นมงคลผู้ใดืีอโทษ่าเก่าตักเตือนอยู่เสมอ ตัวนั่นคือผู้ขี้ขมทรัพย์ให้เราคนคบปรบปุคคลที่เป็นเช่นนั้นเมื่อครบประปุคลที่เป็นเช่นนั่นอยู่ย่อมมีแต่ดีฝ่ายเดียวไม่มีเลวเลยเราเดียนตามพ่อก่อตามครูพ่อเราครูเราสอนให้เราเราความชั่วทำความดีมีทำเว้นไหน เป็นเชิ่อายให้เราดำลงไว้ติบัติเพื่อหลุดพ้นเรียกว่าปาฏิโมกปาฏิโมกมีติตเป็นหน้าโอบตัวใดมีสติชีวิตันเดียวอาจจะประสบก่าผู้ไม่มีสติ ผู้ใดไม่มีสติะต้องอยู่กับมูกับพนเมื่อได้ยินได้ฟังเอาไว้ผู้ใดมีสติดีไปคนเดียวก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้เหมือนธรรมวิตายผู้ใดมไม่มีสติต้องเป็น เป็นนวกะพิกขุเรียกว่านิจใจ ย, ยังเป็นมุตตะอยู่ยังไม่พ้นนิจใจมุตตะมุตตะคือยังหลงยังโกรยังทุกข์หลงในกิเลสตัณหาหลงในความวรู้กอดหลงหรือว่ามุตตะต้องอาศัยอยู่กับหมูคณะ ได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ดูเป็นแบบให้เราได้เห็นอยู่เสมอเห้นแม่ไก่เลี้ยงลูกไก่ไก่น้อยไก่เชียบแม่ฟาหาเชียนคุยเคียให้เห็นมันไม่มีคำสอนเันทำให้ดู แม่ไก่ก็เคี่ยวหาอาหารให้ลูกกินลูกตัวน้อยๆยังเคี่ยไม่เป็นพอดูไปดูไปหล้วันก็เคี่ยเป็นหาชิ้นเป็นไก่ที่เป็นไก่เลี้ยงไก่พัน์เขี่ยไม่เป็นไม่มีแม่อาศัยชิ้นแต่กับคน คนไปท่านไหนก็ล่องโจกโจกโจกโจกวิ่งตามคนไปหายเสียกินไม่เป็นเพราะไม่มีผู้สอนคนเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีใครสอนมันก็ไม่ดีสิ่งที่เราดีอยู่รอดได้มาถึงวันนี้มีพ่อมีแม่สอนเราพ่อแม่พาให้เราดี มีครูบาอาจารย์สอนเราครูบาอาจารย์พาให้เราเป็นคนดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สอนเราทาให้เราเป็นคนดีมีสถาบันปฏิบัติตัวเราเป็นสถาบันสถาบันปฏิบัติดีปฏิบัติตรง ปฏิบัติตมมออกจากทุกปฏิบัติสม่ำเสมอเรียกว่าสถาบันให้บรรจกดีให้หลายอย่างดีตัวตัวเองดีต่อคนอื่นดีต่อการเวลาดีต่อทุกอย่างในเฉพาะเชียงในโลกไม่เบียดเบียนอะไรไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่น เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงก็ตรงต่อตัวเองตรงต่อสินตรงต่อธรรมตงต่อควางามความดีตรงต่อสิ่งแวดล้อมตรงต่อการเวลาอย่าให้ผิดสินผิดธรรมความหลงไม่ตรงความรู้ตรงความทุกข์ไม่ตรงความไม่ทุกข์มันตรงความโกรธไม่ตรงความไม่โกรธมันตรงปฏิบัติตรง ปริบัออกจากทุกเป็นสถาบันคําว่าทุกเป็นเครื่องกระตือเรือโล้นไม่มีใครต้องการเราก็ไม่ต้องการคนอื่นก็ไม่ต้องการสิ่งอื่นก็ไม่ต้องการไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนอย่าไปทำให้การเป็นทุกเวลามันทุกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุก เป็นสถาบานันทุกที่ไหนเปลี่ยนที่นั่นทุกความคิดก็อย่าให้มันพิดเป็นทุกความคิดทุกเพราะอะไรก็มีปัญหาอะไรก็เปลี่ยนมันไม่ว่าตรงแล้วก็เปลี่ยนได้ด้วยทำได้ด้วยปฏิบัติสมควรสม่ำเสมอไม่ขึ้นไม่ลง นั่นขคงถาวรมาตรฐานมาตรฐา น, าานตรงก็สมควรก็คือสะดวกสะดวกในการใช้ไม่มีปัญหาอะไรที่มันสะดวกมันก็ใช้ได้ห้องน้ำสะดวกเวลาเข้าห้องน้ำก็ใช้ได้ น้ำก็มีสะอาดไม่ต้องไปเชดไปถูมันสะดวกปฏิบัติเสมอสมควรอะไรที่มันสะดวกแล้วว่าปฏิบัติสมควรไม่มีอะไรข้างคาให้เป็นสถาบัน ถ้าเราทำอย่างนี้มันก็จบเหมือนเราเรียนจากถาถาบันอะไรที่เราจบกันมาสาาบันประถ ม, มก็จบประถมอ่านออกเขียนได้สร า, าบันมัธยมก็เฉ่งขึ้นไปอุดมก็เฉ่งขึ้นไปเป็นสถ า, าบันสรถาบันแต่สาถาบันเป็นสาคนของโลกตามวิชาการต่างๆ สถาบันของชีวิตเราก็เป็นสาคนถ้าเรามีสติก็เป็นสาคนทุกคนมีสติเป็นคนคนเดียวกันมีสติก็ละความชั่วมีสติก็ทำความดีมิสติจิตก็บริสุทธิ์มันเป็นสถาบันเป็นสาคนทุกชีวิตถ้ามีสติสาคนก่ออย่างอื่น ไม่เกี่ยวกับลัทธินิยายไม่เกี่ยวกับชาติศาสนร์ไม่เกี่ยวกับเพศวไัยใดๆทั้งสินส้นถ้ามีสติมันก็อันเดียวกันนะไม่มีอะไรอ้างแม้จใจจะขาดก็มีสติสมันก็ออกมันก็ละความชั่วทาความดีจิตบริสุทธิ์ถึงแม้ผลนิพพานก่อนใ จ, จะขาดท้าละทีได้ วันนั้นนะสากลเรื่องนี้พอเจ้าสตทสนะได้นิบผ่านก่อนเจ้าจะขาดท่านาทีเพราะปฏิบัติเป็นสถาบันมีสติเป็นสากลจริงเหล่านี้เป็นสมบัติของมนุษย์ต้องให้มีในตนอย่าขาดตวบกพรองต้องประกอบต้องสร้างขึ้นมา อย่าสละสิทธิ์ก่อนที่จะเป็นสิทธิเวลามันหลงเราวิสิทธิ์ไม่หลงใช่สิทธิของตนเวลามันโกรธเราไม่สิทธิ์ไม่โกรธใช่สิทธิของตนเวลามันทุกข์เราไม่สิทธิ์ไม่ทุกข์นี่ใช่สิทธิ์ทีหรือว่าธัรมาร์ทิปไตยไม่ต้องขอญาตจากใคร ปฏิบัติดีก็ไม่ต้องขอญาติปฏิบัติตรงก็ไม่ต้องขอญาติจากใครปฏิบัติออกจากทุกข์ก็ต้องไม่ขอญาติจากใครเป็นสิทธิที่ว่าสารคนของชีวิตไม่มีอะไรหว่วงห้ามเวลาเราหลงขอญาดจากใครไม่ได้ขอญาติอย่าให้หลงเธอไม่ได้ ขออยากให้มีความรู้กไไ็ไม่ต้องขอใครมีในตัวเราเองนี่เราว่าสากนถ้าเราทำอย่างนี้มันก็จบได้เวลานี้เรามาทำอันนี้กันถือบวชเป็นโอบายยิ่งสะดวกใหญ่ผู้ไม่ถือบวชเป็นอบายก็มาใช้ชีวิต เว้นปวดคือเว้นจากความชั่วไปสู่ความดีอู้ถือปวดโนผมห่มผ้าเป็นเพศสมมุติขึ้นเป็นพระเป็นชีเป็นแม่เป็นสงก็เรียก ว, ว่าสิธิพิเศษในรับสิทธิพิเศษไม่ต้องท ร, รมหาหาจกนฑไม่ต้องนาค้าขาย โศตายมันก็อยู่ได้เนี่ยบวดคืออุบายออกจากความเชื่อไปสู่ความดีมบวดเหมือนกันบันปชิดคูค่คู่ผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารเห็นกรรมเห็นจิเลที่ไม่บากเป็นวัฏฏะผู้ใดเห็นวัฏฏะ สงสารหรือว่าเป็นบรรพชิตตัดเว้นตัดกรรมนั้นหลงตัดเป็นให้มันลูกเข้าไปตัดมันทุกข์ตัดออกให้ไม่ทุกข์มันโกรธตัดออกให้ไม่โกรธตัดเว้นตัดกรรมอยา่าปล่อยให้หลงอยา่าปล่อยให้โกรธอยา่าปล่อยให้ทุกข์อยา่าปล่อยให้ปรุงแต่งอันปรุงแต่งที่ไหนหยุดปรุง การปรุงแต่งเป็นสังขารการหยุดปรุงแต่ ง, ง, ตงมิสติเป็นวิสังขารใกล้ๆกันในสังขารมีนิพพานความทุกข์เป็นทุกข์กนิพพานไม่เป็นทุกข์กเรีย ว, ว่าวิสังขารไม่ไกลจากนิดเดียวเลยเหมือนหน้ามือหลังมือตอง ก็ให้มันหลงมันไม่ตร ง, งเปลี่ยนหลงไปไม่หลงมันตร ง, งเปลี่ยนทุกไม่ทุก<ง>มันตรงนี่เราจะไปอะไรอ้อนวอนที่ไห น, ไหนอะไรมาอ้างอีกเวลาไหนไม่ต้องไปคิดวางแผนอะไรไม่มีแผ น, แผนมีแต่การทําลงไปเลย อะไรก็มีแผนบางอย่างก็ใช่แผนเย็นไก่น้อยขึ้นต้นไม้หาแม่แม่สอนให้มันขึ้นนอนบนติ่งไม้แม่มันเป็นขึ้นไปก่อนสูงโสงโน่นบินชันๆขึ้นไปไก่น้อยบินขึ้นหาแม่ไปได้ล่องโย่ล่องอยู่ น่องอยู่บนดินแม่ก็บินลงมาแม่ก็บินขึ้นไปอีกไก่น้อยก็เห็นแม่อยู่ทั้งบนอ่ะมันไม่มีมันบินไม่ได้ตั้งมันก็วางแผนเป็นอ่ะมันวิ่งไปหาต้นไม้ตําๆก็ค่อยไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปจนถึงแม่ของมันอ่ะมันก็มีแผนอ่านั่นเป็นไก่น้อย คิดเราอย่าไปงกกไกยน้อยอะไรที่มันไม่รู้หาเรื่องให้มันรู้เอ <ơn. S 2> ิ่นเนือเฉยๆมันง่วงนอนหาวิธีที่จะไม่ง่วงมีแผลนเอมยกมือสร้างจะวะไม่ไหวไลุกขึ้นเดิจนจงกรมนั่งฟังเทศจุณ น, น่มันง่วง ปลกตัวให้ตื่นขึ้นมามีแผนอย่าไปยอมรับไก่ น, อน้อยขึ้นต้นไม้ ส, สูงๆไม่ได้ก็มีแผนไปไต่จากต่ำๆันกวําทำอื่นไปไม่ใช่ขึ้นตรงไปทำมาอื่นอาจจะไปสนใจเรื่องอื่นนินดนหน่อยแค่อก อ, ออกไปก่อนออกก่อนอย่ามาตรง เมื่อเราแยกไปหาที่อื่นแล้วก็แบบสู้สู้แบบไปสู้เหมือนดองตาพูใ้ใดฟังเรื่องงูใหญ่คาบหนูก็แต่ตัวเล็กไปช่วยหนูงูตัวใหญ่กะแต่กับตัวหนูเท่ากันหนูคาบจึนลงไปได้แต่กะแต่ตัวเล็กเท่ากันกับหนูเนี่ย ไปสู้กับงูใหญ่มันก็สู้ได้มันมีแผนแล ง, งููคาบหนูกระแตเขา้าไปเข้าไปคาบหางงูหัวงูกับหางงูมันไกลกันงูก็เจ็บจะมาสู้กับกระแตหนูก็คาปากอยู่เสียรายหนูแต่ว่ากระแตกัดหางเข้ากัดหางเข้ากระโดดกัดหางอยู่ไม่หยุด งูก็เจ็บจาเป็นต้องวางหนูหมาสู้กับแต่ก็งูวางหนูหนูก็คลานไปงูจะเลื่อยตามหนูอีก ก, กระแตก็กัดหางไว้กระแหนูงูขึ้นมาสู้กับหนูก็กระแต่งูก็วิ่งหนีไม่สูก้กระแต่จะเลื่อยตามหนูกระแต่ก็วิ่งเข้ามากัดหางมันก็สู้ได้นเนี่ยอันนี้หลงตาเห็นกับตา ทำไงเราจะไปงู้เรื่องเล็กแต่น้อยที่เกิดอยู่กับตัวเราความหลงก็เกิดอยู่กับเราเความโกรธเกิดอยู่กับเราความทุกข์นนเกิดอยู่กับเราห่วงมือเงาะหัวนอนเกิดอยูย่กับเราประยอมแพ้ทําไมกิเลสตัณหาเกิดอยู่กับเราอยู่ดีมันชิดขึ้นมาออบเสื่อกับบ้านหอบกระเป๋ากับบ้านอยู่ดีก็พอใจไม่พอใจ ลักกันเคยลักกันก็เตียกันได้ถ้ามันถ้ามันปรุงอ่ะเราต้องเราต้องไม่โง่ให้มันทันนั้นเป็นสาบันหัดเอาไว้เพื่อกาว่าถ้าไม่หัดทําไม่เป็นจะให้มันเป็นเลยมันเป็นไปไม่ได้ต้องหัดเรียนตามพ่อก่อตามครูแบบเนี้ ก็เห็นเห็นกันอยู่ทุกเจ้าก็อุบัติขึ้นจริงๆในโลกมีพระธรรมคำสอนก็สัมผัสกับเราได้เอามาสัมผัสเป็นเรื่องของเราได้ทุกเจ้าตัดสะลุอะไรทำยังไงเราก็รู้ในวันเพ็ญเดินห ก, กองทำอะไรศีตะะทำอะไร เป็นพระปุตุชนเป็นพระเป็นคนสามัญแต่มาจะเกิดพุทธเจ้าขึ้นมามันก็ไม่รับไป่รีมันเลือกของเรานี่กอนคู่เขียนเข้าให้สติกอนเหยียดแขนออกเป็สติเราคู่เข้าไม่ได้หรือเขนเนี่ยมีไหมเขนอะ่ะ <laughs> อไปขอใค ร, รเขียนน่ะฮไปขอใครมาเขียนเรอ สติไปขอใครอไม่ต้องขอใครเป็นสมบัติของเราแล้วประกอบขึ้นมาเอามาใช้เนี่อไอ้อ้างอะไรอีกถ้ว่าเป็นหนุ่มสาวเหรือถ้าว่าเป็นพระหนุ่มหรือเอามาเป็นคนแก่หรือไม่เกี่ย ว, ยวก่อนคู่เขียนเข้าก็เท่าเท่ากอนีงื่อไม่ไหลมันไม่ยาก ท้าไมไปมันยากกว่าจบกระเป๋าควบุรี่วาสูกเอาบุหรี่ก็เช็กสองออกเอามาคาปากหลายขั้นตอนะขีดไม่ขีดใส่ไม่บุหรี่สูกควมบุหรี่มันยากกว่าคู่แขนเข้าหย่าแ ข, ข, า ข, ข, ขานออกยังทำได้แล้วอะไรที่มันอ้างกัน่ะ มันไม่ตรงเพราะมันไม่ตรงมันชอบหลงเป็นนิสัยวางคิดก็ชอบหลงชอบปงแต่งอยู่เฉยๆไม่เป็นหนาเรื่องหาเหาใส่หัวตัวเองชอบคิดปงปงแต่งแต่งเวลานอนแท้ๆก็จะหาเรื่องมาคิดจะนอนไม่หลับมันเป็นหลายเแยบหน้าหนาหนิเหลือมนุษย์อ่ะเห็นหมาไหม นอนอยู่เจ้าของคนนอนไม่หลับเจ้าของหมานอนไม่หลับเพราะหมานอนลงปั๊บมันหลับเลยมีไหมมีเหมือนกันนะอันนี้เขาเลาเลือกบมานะมีหมาตัวหนึ่งก็ว่าด่ากันว่าหมามัโง่หรือหมาเรื่องหมาตัวงอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย เอาทำอนุสาวรีย์ไว้ปั้นเป็นทองไว้รูปหมาตัวหนังขอเล่าจักหน่อยได้ไหมฮะอ้ขี้ฮ่าไขอขอขอโทษค่ะ ข, ข, ข, ขอเล่าเร่งหมาจักหนก็ <c oughs> เป็นธรรมะนะหมาตัวหนังอยู่เทศญี่ปุ่นนะ ขเขาเรื่องว่าที่นี่มันก็ชื่อสัตว์ต่อเจ้าของเจ้าของเรื่องมันเรื่องยาวกว่า น, นี้แต่ไม่ต้องพูดยาวแล้วก็ซื่อสัตว์ต่อเจ้าของเจ้าของไปทำงานบนที่อื่นแล้วก็หมาก็อยู่บ้าน แล้วก็ทีแรกก็วิ่งมาส่งเจ้าของมีคนพามาส่งเอารถมานั่งรถมาส่งขึ้นรถไฟก็ขึ้นรถ ไ, ไฟก็กลับบา้านหมาก็มาส่งทุกวันแล้วหมาถึงเวลาก็ไม่รถมารับกลับบา้านก็คนไปทำ ง, งานรถไรก็ลงรถเป็นเวลา ก็มีรถมาส่งมีรถบรรับเอาหมามาด้วยอาจจะเป็นภรรยาของของเจ้า ข, ของหมาที่เลี้ยงหมาสามีก็ไปทํางานมาส่งคือรถไฟเวลาแล้วก็กลับมาก็มารับบนสถานีรถไฟหมาก็มากันทุกวั น, วนมาลับมาส่งทุกวัน จากบ้านมาสถานีรถไฟก็ไม่ไกลนักวันหมาก็ไม่รู้ภาษาของคนพอดีคนที่เป็นเจ้าของ<พ>อตายไปยอุบัติเหตุแล้วก็หมาก็ได้ไม่ได้ไม่ได้มารับไม่มีใครพามารับันเคยมารับ ก็ไม่มีใครมาเพราะเจ้าของไม่ได้ไปรถไฟแล้วไม่ได้มากลับมาแล้วตายไปแล้วไม่รู้ภาษาคนหมามันก็วิ่งมารับเจ้าของมานั่งรออยู่สานีนรถไฟเป็นสิบปียี่สิบปีมานั่งรอรับเจ้าของทุกวันถึงเวลาหรือเวลาไม่เห็นเจ้าของก็กลับบ้านจนค่ําจนมืดก็ไปนอนว่าง แต่เวลามารับอีกทุกวันมานั่งรออยู่ฐานรถไฟอรือซี้มันซื่อสัตย์ขนาดไหนซื่อสัตย์กว่าคนคนเป็นผัวเป็เมียกันแท้เขาไม่ซื่อสัตย์แต่หมาเนี่ยมันซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมันเคยมารับเจ้าของที่ฐานรถไฟแต่เขาตายไปแล้ว แม่บ้านเขาก็ไม่มารับแต่หม้า ย, ยมารับจทุกวันทุกวันนั่งรอคนเห็นทุกวันนั่งรอเศรื่ึมรอเจ้าของใครลงรถก็มองไม่เห็นก็นั่งอยู่ที่เก่าโอ้ยไปส่งที่นั่นก็เคยไปรับที่นั่นก็นั่งอยู่ที่เก่าเป็น1ิปีกว่าหมาตัวนั้นก็ตนตายไปนั่งอยู่ที่นั่นจนตายก็เลยทำเป็น เป็นรูปหมาเป็นรูปขาในรถไฟนั่งอยู่ที่นั่นหล่อเป็นทองทองแดงทองเหลืองไว้ถ้าใครไปญี่ปุ่นจะเห็นหมาตัวนึีหมาอชื่อสัตว์แล้วนี่คืออ ะ, อะไรที่เราทำไม่ได้ก็มีสัตว์มันทำได้ก็มีกล้ชื่อสัตว์ รวมรพร้อมตรงตรงเพราะนั้นชีวิตของเราเน่อะไรที่มันประเสริฐประสาความหลงเฉยเฉยก็ยังหลงยังโกรธยังทุกข์มันก็ไม่มีพิษภัยอะไรที่จะบังคข้ามเราเป็นไปตามมัน แมนะ้บางทีเราโกรธเราก็ยอมรับถ้ากูได้โกรธตายไม่ลืมระยอมรับความโกรธเอาความโกรธพาทำชั่วทำบาปทำกรรมแตกแยกกันเพราะความโกรธข้นข้ากันเพราะความโกรธทั้งทั้ ง, ท, งที่มันไม่มีอะไรจึงมา ศึกษาล้วนี่กันให้เป็นสถาบันในการปฏิบัติอยู่ในรูปแบบทาไม่ไหนมีอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี่ยวไดตัวอย่างก็มีทาไว้ไหนก็มีอาศัยอาศัยเช่นได้จับไปกรรมฐานก็มี มีนิมิตที่เกาะอยู่เอากายเป็นนิมิตเกาะไว้เรายังเดินไม่เป็นเหมือนเด็กต้องไม่เดินไม่เป็นอาศัยรถเดินแล้วนี่เขาทำให้ <c oughs> เด็กเดินมีมีรถนั่งมีรถเดินพาเดินแต่ก่อนเขาทำเป็นไม่วนวิ่งเวียน จับราวแล้วให้มันพาเวียนไปเดี๋ยวนี้ใครมีรถเดรถนั่งพาเด็กเดินเขาก็ห้ามไม่ทําแล้วเด็กเดินอยู่หน้าบ้านเด็กนั่งอยู่รถอยู่หน้าบ้านรถพาไหลออกไปถนนที่รถรถวิ่งมาถนนหมาก็ชนเราเด็กตายเขาเลยห้ามไม่ผิดรถประเภท น, นี้ขึ้นมา ก็ยังมีอยู่ว่าเต็มา ถ, งถางเขาก็มีนิมิตเกาะแม่เราทําให้เป็นก็มีนิมิตเอาไว้ผู้เขียนเข้าออมีสติเหย่อเขียนออกมีสติทุกคนก็ทําได้นี่นิมิตที่เกาะไว้หัดไปก่อนเหมือนเราไปเรียนหนังสือชั้นปฐมกไก่ตาดูกระดานดูลองสือมือหัดเขียน เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องหัดเพราะมันมันเป็นแล้วการมาหัดตามวิชากวันฐานเนี่ยตามที่พระสูตรแสดงเอาไวน้นล้วก็ทำกันแบบนี้ใครจะรู้อะไรบาก็ต้องหัดตรง น, นี้ให้เป็นอันเดียวกันมีสติไม่ใช่ท่องจำหัดให้เป็นทำให้เป็ น, ปนการเป็นไม่ต้องทำเอาไม่ต้องจำเอา มาประกอบเวลามันหลงให้รู้ให้เป็ น, ปนให้มันรู้กับมิตรเนี่ยจะไปกลัวอะไรไป อ, อะไรมาอ้างาก็ทำได้อะไรที่มันหลงไปกลับเกบินมาอยู่เนี่ยตั้งไว้เนี่ยเรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งของการกระทามันศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเครื่องทุนแรงให้กลับมาได้การมิตรเนี่ยมันทุนแรง ของยากเป็นของง่ายกิเลสทั้งพันหตัะหนั่งยแปดกลับมาเนี่ยเหมือนเครื่องตัวหลงแมคโคเทกเตอร์หรือเหมือนไม่กวดเหมือนใบมีดของเทกเตอร์ไม่กวดแม้จะเม็ดหินเม็ดดินในจำนวนมากแต่ไม่กวดผ่านไปก็กหมดไปได้ผมรู้สึกตัวไม่จะมีกิเลสตระหนั่งเกิดขึ้นกลับมานี่มก็หมดไปมันไม่ต่อ ชักจะผ่านการมีที่ตั้งกับงานเนมันชักจพผ่านไม่ทอดสะผานให้อะไรมาตั้งอยู่ไม่ได้มันเก้าอี้ใบเดียวเรานั่งอยู่ก่อนอัน เ, เดืน่นเขาไานั่งไม่ได้จิตเจตสิกรูปนิพานเป็นปรมัติตเนี่ยเราอยู่ก่อนแล้วเจ้าของแล้วสติเป็นเจ้าของกายสติเป็นเจ้าของจิตใจแล้ว อะไรจะมาอีกมันมาไม่ได้แต่ก่อนมันเถื่อนไม่มีเจ้าของเขางหอบผิวไปไหนก็ได้เขากายไปเป็นสุขเป็นทุกข์ได้เขาใจไปเป็นสุขเป็นทุกข์ได้เขากายใช่เป็นสุขกายเป็นทุกข์เขาใจใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะสุขทุกข์ที่มันเรามันใช่เราที่เป็นสุขเป็นทุกข์มันมีจริงหรือ มันไม่มีมันสมมุติปัญญาตเป็นอุปทานยึดแม่ความโกรธก็ไปยึดว่าเราไม่ใช่ความสุขก็ไปยึดว่าเราไม่ใช่ความทุกข์ไปยึดว่าเราไม่ใช่แต่จริงจริงมันคือตัวนี้คือภาวะที่รู้เนี่ยทําให้รสชาติของสุขของทุกข์เกดไปมีแต่ปกตินี่คือ มันก็มีนิมิตแบบนี้เหมือนกอไก่ยอยู่ในกระดานแล้วก็เขียนเป็นแล้วนี่ไม่ต้องหัดเขียนไม่ต้องไปดูกระดานมันมีอยู่ในตัวเราแล้ ว, ลว อ, ออกเขียนได้นี่ทุกนี่เหตุให้เกิดทุกนี่ถามความดับทุกดับทุกได้แล้วคองแล้วอ่านออกเขียนได้ อ่านออกอ่านออกจะได้ในะเรื่องนี้คือเรียกว่ายานวันยาญาญยังรู้ทะลุทะลวงไม่จนไม่จนทุกข์เห็นแล้วออกได้แล้วพ้นแล้วไม่จนความโกรธเห็นแล้ว ออกจากความโกรธพ้นจากความโกรธแล้วความหลงเห็นแล้วออกจากหลงพ้นจากหลงแล้วไม่ได้ออกแรงเลยเพียงแต่กลับมานี่อัก็ละความชั่วแล้วเพียงแต่กลับมาลูกทาความดีแล้วง่ายง่ายสะดวกความหลงไม่สะดวกความโกรธไม่สะดวกแต่ความลูกเนี่ยมันสะดวกกว่ามันไม่มี ความโกรธพาไปไกลความหลงพาไปไกลความทุกข์พาไปไกลไปถึงอะไรมากมายเป็นประสาทในความหลงความคิดขอเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกบโรคประสาทได้ไหม <laughs> <laughs> กบโรคประสาท กบตัวหนึ่งมาอยู่ใต้บันไดของพระนอนอยู่ใต้บันไดเ็นมันเห็นพระเห็นเนรทุกวันวันก็มองอยู่เห็นพะระวินทบาทวินทบาทกลับมาพระก็มานั่งกินข้าว โอ้พระไม่ต้องทํามาหาจินอะไรเพียงแต่ไปอุ้มบาตไปก็กลับบาไม่เข้าเต็มบาตรดีนะเป็นพระนี่ยน่าจะเป็นพระนะดีกว่าเป็นกบนะคิดแต่งเบื่อหน่ายกว่าเป็นกบคิดอยากเป็นพระโอ้เป็นพระดีดีนะอ๋ออดีพระกินข้าวแล้วหมานอนอยู่ข้างพระเอาไปเทให้หมากิน เอาหมาดีน้อยดีกว่าพระนะเไม่ต้องมีธบานนอนเฉยๆก็มีพระไปให้จินเป็นหมาดีกว่าฮะเป็นหมาดีกว่า ก, กบคิดจากเป็นหมาเลยวนะ่ะแล้วก่อนนี้คิดจากเป็นพระปัจจุบันคิดจากเป็นหมาหมาดีกว่าพระไม่ต้องเป็นธบานนอนอยู่ก็ไม่จิน พอดีฉิดวัดเดินมาซุกสุดว่าเตะหมาเหมาห้องเอ๊ะหมาวิง่งดหนอ้าวหมาก็ไม่เจ๋งนะฉิด ต, ตีกว่าชิดวัดที่แจ๋งกว่าหมาไปเอ้ยเป็นฉิดวัดทีกว่าไปน ช, ดดาชนะหมาเอยเด๋ยอยากเป็นฉิดวัดไปรอดีชิดวัดนั่งเตะหมาวิ่งเหนีเราไปนอน นอนเฉยๆสิบวันเออดีจริงๆสิบวนเพดีแมงวันมาตอมสิบวันสิบวัก็ไล่แมงวันไล่ไปเลยมาทาท่ายากแมงวันตอมใช่ไหมเคยแมงวันตอมไหมเวลานัาา่งเวลานอนเด็กสิบวันก็ไล่แมงวันทลอดเวลาเอ้าทำไมไม่นอนที่เคย ว, วนแมงวันเหรอ โอ้ยแมงวันดีกว่าผิดวัดไปเป็นแมงวันดีกว่าผิดวัดยังช่วยแมงวันไม่ได้เลยก็ดีผิดวัดไล่แมงวันแมงวันบินมาจับปลายจมูกกบกบก็เลยเลาะวินงเลียกินแมงวันเป๊ะทันทีโอ้ยเป็นกบดีกว่าเป็นกบดีกว่าพันปรศสาทคิดไป เอาไปมาโอ้ยเป็นกบดีกว่าไม่ต้องทำํำแบบชนะแบงวันอพระก็ไม่เจ่งหมาก็ไม่เจ่งจิตบัตรก็ไม่เจ่งแบงวันก็ไม่เจ่งเป็นก บ, กบกเจ่งที่สุดแล้วบางทีมันปรงไปโปร่งไปโปรงไ ป, ป, ลงไปหล่อหย่อเป็นเรื่องเป็นราวไปตัดถึงใจทําการโปรงแต่งนะเพราะนั้นก็มันปัวหมายกลับมานเป็นกรรมฐานเนี่ยดีที่สุด กรรมฐานดีจุดกลับมามันหลงไปกลับมามันทุกข์กลับมามันโุกกลับมามันู้ตรงนี้ยเียาว่าที่ตั้งเงนินพระเจ้าสอนพระสงฆ์ไปบินธบาตในแม่นม้ําขงขาฝั่งนั่นนะหาดทรายเห็นเต่าตั ว, ตวนังคารอยู่ริมหาดแล้วก็หมาป่าวิ่งเข้ามาจะกินเตา่า เตาก็หดาว่ายเยอะเข้าในกระดองหมาก็จินไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยชื่อให้พระสงฆ์ทั้งหลายดูนี่พระสงฆ์เตากไ็ไกระดองหมาจินมันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเธอจงไม่กระดองเหมือนเต่ากระดองของเธอคือกรรมฐ า, านนี่กรรมฐ า, านเป็นกระดองหดอาวัยวะเข้ามากับมาที่ต้งมีสติมีสตินี่ ที่ว่ากรร ม, มาฐานคือกระดองของชีวิตปลอดภัยจากมารอะไรต่างๆสงสางใจเวลากพระพร้อมกัน